บรรพบรุษไม่มีใครตําหนิชาติกําเนิดได้ที่ชื่อว่าได้รับมูรธาพิเศกแล้วคือผู้ได้รับอภิเสกโดยการอภิเสกเป็นกษัตริย์คําว่าที่พระราชายังไม่ได้เสด็จออกคือพระราชายังไม่เสด็จออกจากตําหนักที่บรรทมคําว่าที่นางรัตนายังไม่เสด็จออกคือพระมเหสียังไม่เสด็จออกจากตําหนักที่บรรทมหรือทั้งสองพระองค์ยังไม่เสด็จออกคําว่าไม่รับแจ้งล่วงหน้าคือ ไม่ได้เรียกมาล่วงหน้าที่ชื่อว่าธณีประตูพระผู้มีพระภาคหมายถึงธณีประตูตําหนักที่บรรทมที่ชื่อว่าตําหนักที่บรรทมได้แก่ที่บรรทมของพระราชาซึ่งเจ้าพนักงานจัดไว้ในที่ใดที่หนึ่งโดยที่สุดแม้วงด้วยพระวิกษุคำว่าก้าวล่วงธณีประตูเข้าไปคือภิกษุษยกเท้าแรกก้าวข้ามธณีประตูเข้าไปต้องอวบทุกกฎ ยกเท้าที่สองก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปต้องอาบัดปรปาจิตตี